ขอความเจริญในธรรมจะ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงรพโพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องท้นสพนญาณกิจานอันเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิทธิประการเพราะงั้นทำให้บางครั้งบางคราวเราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระทศพลแปลว่าทรงมีกำลังสิทธิบรรกรได้พูดมาถึงสามข้อคือฐานาฐา น, าานายาน ปิชายานอย่างรู้ฐานะคือความเป็นไปได้และอาฐานะคือความเป็นไปไม่ได้พิปากยานปิชายานอย่างรู้วิบากคือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําสัพตะกามินีปฏิปัฏายานปิชายานอย่างรู้การประพฤติปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภูมิทั้งปวงและน า, นานาธาตุญานคือพยานที่รู้จําแนกธาต ของคนเราซึ่งแตกต่างกันออกไปวันนี้จะพูดถึงนาน า, น า, านธิมุติกยานอาทิมุตก็คือพื้นเพจริตอัธยาศัยซึ่งอยู่ลึกๆอยู่ภายในใจบางทีมันก็ลึกกว่านิสัยหรืออัธยาศัยติอาทิมุตคือมันอยู่ลึกๆแล้วก็มีการกระตุ้นขึ้นมาเช่นคนนี้มีอาทิมุตอย่างนี้มีอาิมุตอย่างนั้นอย่างนี้ และเวลาแสดงธรรมก็ไปดูที่อธิมุตของเขาแล้วก็วางธรรมะให้สอดคล้องกับพื้นฐานคืนอธิมุตก็ทำให้เขาได้บรรลุมรรคได้อย่างตัวอย่างที่พูดเรื่องพระจุลปันถกในวันก่อนก็ยังเล่าไม่ได้ไม่ละเอียดนะฮะ <c oughs> คือว่าพระหมหาปันถกซึ่งเป็นพี่ชายเห็นว่า น้องชายไม่ได้เรื่องท่องคาถาสีบ่บรรทัดสี่เดือนไม่ได้เลยแนะนําให้ศึกท่านก็ไมย่ยินดีที่จะศึกต้องการจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปปอดีท่านอนาถบินไดกับเศรษฐีมานิมนพระไปฉันที่บ้านปจุนปันโตก็นั่งอยู่ใกล้ๆประมาณปันโตกก็บอกว่าท่านรับสําหรับพระทุกรูปนะได้แต่ว่ามีพระรูปหนึ่งโง่มาก จะไม่รับให้หรอกเป็นการกระตุ้นเตือนให้ท่านเกิดฮึดสู้ขึ้นมานะฮะเป็นอุบายวิธีของพระอรหันต์ไม่ใช่โกรธเกลียดอะไรหรอกแต่ว่าเป็นการอนุเคราะห์โดยวิธีที่อยากตามไปสู่ละเอียดเพราะนั้นพระจุลปันถกท่านก็คิดเป็นจริงเป็นจัง ก็เห็นว่าพี่ชายไม่อะไรใหญ่ดีไม่นางขังขอบแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปศึกพุทธเจ้าเสด็จออกมาต้อนรับมาขวางอยูนะ่ท่านเห็นก็เข้าไปกราบพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าจะไปศึกพี่ชายบอกให้ศึกพุทธเจ้ารับสั่งถาม่าเธอบวชอุทิตเราหรือว่าบวชอุทิตพี่ชายท่านก็บอกว่าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาค พระยับสั่งว่าก็เรายังไม่ให้ศึกเนี่ยทำไมจะต้องศึกเสร็จแล้วก็นำไปสู่ที่ประคันตกุดีส่งมอบผ้าขาวให้พืน ห, หนึ่งแล้วให้บริกรรมวารโชระนางระโชระนา ง, นงแปลว่าผ้าเปื้อนขุนหรือผ้าเปื้อนทุลีบริกรรมอย่างนั้นน่ะท่านก็ขยี้ใส่มือแล้วบริกรรมไปบริกรรมไปเนี่ย ในสุภาพมันเหงื่อมันก็ออกนะแดดมันขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นมาแดดก็เริ่มออกเหงื่อมันก็ออกตามทำให้ผ้าขาวสะอาดนั้นก็แปดเปื้อนท่านก็พิจารณาผ้าขาวเหล่านั้นจเจริญวิปัสนาบารรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้ปัญหาว่าอธิมุตตตรงนี้มันมาจากไหนมันมาจากในอดีตชาติที่ คราบหนึ่งท่านเคยไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ทิสาปามกแต่ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่มีความรอบรู้ไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยอาจารย์ทสาปามกเป็นห่วงเป็นใหญ่มากเลยก็ผูกคาถาขึ้นมาบทหนึ่งให้เอาไปท่องและให้สาธยายอยู่บ่อยๆท่องบ่อยๆสาธยายบ่อยๆ ว่าคาเตสิกเตสิกิงกนาคาเตสีิหังปิตังชานามิชานามิาามแปลว่าท่านทําท่านกําลังทําอะไรอยู่เรารู้อยู่นะว่าท่านกําลังทําอะไรมานุก็ท่องสาธยายจนจําขึ้นใจแต่ก็กลัวจะลืมนะอาจารย์ต้งสั่งให้ท่องมาเสมอพอเมืองกลับมาถึงบ้านถึงเมืองแล้วเธอก็ท่องอยู่เรืย บางทีนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ท่องไว้ก่อนพราะมัสั้นนิดเดียวนั้นเองเวันหนึ่งโจนเนี่ยเข้าไปขโมยที่บ้านของเธอแล้วประราชาเนี่ยเสด็จปลอมพระองค์ไปดูแลกิจการบ้านเมืองพอโจรเข้าไปที่บ้านเขาก็ท่องคาถานั้นพอดีโจร น, นึกว่าเจ้าของบ้านเน่รูู้กใจก็วิ่งหนีไม่ได้เอาอะไรไป พระ า, าราชาเห็นเป็นเรื่องแปลกลุกในเช้าก็ส่งคนไปสืบถามทราบความว่าเป็นเด็กหนุ่มที่กลับมาจากตักขศิลาจึงเรียกให้เข้าไปเฝ้าแล้วก็ขอเรียนฮะขอเรียนคาถาเขาก็บอกให้นะคาถาสั้นๆ แล้วก็สั่งตามที่อาจารย์สั่งว่าต้องท่องไว้เสมอคาถาเนี่ยมันก็ขลังจึงจะขลังในต้องท่องไว้เสมอต่อมาในช่างกันระบบปุโรหิตเสนาบดีนะฮะคิดกันที่จะปรุงประชนราชาอย่างราชาสมบัติโดยวางแผนกันไว้นะ่ะ ถ้าสามคนเนี่วางแผนกันไว้ว่าเมื่อย่างราชสมบัติแล้วปุรหิตก็จะเป็นพระราชาเสนาบดีก็จะเป็นอุปราชาแลนะนายกช่างการบกก็จะได้เป็นเสนาบดีแต่มีข้อแม้ว่านายช่างการบกนั่นเองอาจจะต้องเป็นคนตัดประสดของพระราชาเวลารปรุงพระเกศา พอบทจะทํำก็จริงนี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมั่นใจเอยเอามีดโกนมาสบัดแล้วสบัดอีกสบัดแล้วสบัดอีกอยู่กลัวจะตัดไม่ขาดในขณะที่เขาทาพระราชาก็นึกถึงมนุ์ขึ้นมาได้เขาท่องเลยกเตสิกเตสิกิงกนากเตสิหังพิตังชานามิชานามิาามเธอกำลังทําอะไรอยู่เรารู้อยู่น้าว่าเธอกําลังทําอะไรอันนี้ก็โตกใจเลยนึกว่าพระราชารูา้ กราบถวายบังคมขอกมาลาโทษประชาชนก็ได้จังหวะก็สักถามเรื่องทั้งเรื่องทั้งปวงก็ออกมาแล้วในสุดก็รับสั่งในประเทศคนทั้งสามคนในออกจากประเทศเพราะว่าคิดไม่ชอบแต่ว่านึกึ้นมาได้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันได้เพราะ อาจารย์ที่มาจากตักกศิลาเมื่อคับคนเหล่านั้นออกไปแล้วก็เชิญอาจารย์เนี่ยมาเป็นปุโรหิตอันนี้ก็คือพื้นฐานที่เป็นอธิมุตคืออัธยาศัยลึกๆของท่านเนี่ยอยู่อย่างนั้นเพราะเราจะเห็นว่าแนวทีพระพุทธเจ้าเอาอมาสอนก็คือแนวท่องคาถาซ้าๆมันเหมือนครับอาจารย์ท่สาปโมกในคราวนั้นก็ต่อมาก็มาเป็นพระพุทธเจ้านี่ มนบคนนั้นก็ต่อมาก็คือพระยุลปันทุกนี่ก็คือแนวดึงเอาทิมุตแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือเราจะโดยเสด็จกับคนข้างยากแต่ว่าค น, คนเราก็สามารถสังเกตอะไรได้พอสมควรนะคนนี้ควรจะสอนกันยังไงควรจะอบรมกันยังไงจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีประการต่อไปนั้นอินสียาปรโยปริยติยาน แปลว่ารู้ความแก่ความอ่อนของอินทรีย์อินทรีย์ทั้งห้าประการอินทรีย์นี้ก็คือสัตทินทรียอินทรีย์คือศรัทธาได้ แ, แก่ความเชื่อที่อย่างลงมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าตามบทที่สวดกันนะอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระรหันสมมาสบุตททรสตรูรีสรัตรูชอบบริโภคเอง วิชาจะนาสัมปัโนโนส่งสมบูรณ์ในวิชาและจรณะสุกโตโสเสด็จไปดีแล้วโลกวิฑูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตรตรโรปิสสะดัมสาระธิทรงเป็นสาระธิที่ฝึกปรุษได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสาระธิอื่นจะยิ่งไปกว่าสัทธาเดวะมนุษย์สานังทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้เป็นพู้ตรึกเป็นผู้เบิกบานเลยเชื่อตามนั้นหรือไม่ จะต้องมีพลังความเชื่อที่สามารถขจัดอสัตย์ยะคือความไม่เชื่อได้แล้วก็มีกำลังที่จะขจัดความครือแพลงสงสัยได้แล้วถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นก็สามารถขจัดตัณหาขาจัดกิเลสก็ขจัดโลภะได้นะจนถึงขจัดโทสะได้คือคุณศนธรรมทั้งหลายนีย่เอาข้จริงแล้วเขาก็จัดกิเลสได้ทั้งหมดแต่ว่า กิเลสตัวใดเป็นตัวหลักตัวใดเป็นตัวรองเท่านั้นเองข้อต่อไปก็คือวิริยะได้แก่ความกล้าหาญความเพียร น, นะความกล้าหาญไม่ห ว, ดวาดหวั่นพลันพึงหรืออุปสรรคอันตรายต่างๆสามารถแก้จัดมหาโกศชา ค, คือความเกียดคร้านขนาดใจในออกไปจากใจิตใจได้แล้วประการที่สามก็คือสติ สตินซีในะอินรีคือสติในก่ความระลึกได้ระลึกทันึกออกต้องมีกำลังในการขาจัดสติสำโมสาคือความลงลืมความเลื่อนเรือนเพราะขาดสตินี้ออกไปได้สมาธินอินซีคือสมาธิถึงจะต้องสามารถขจัดจิตตะวิเคปะคือความฟุ้งซ่านสั้นสายของจิตได้ แล้วก็ปัญญินรีอินซีคือปัญญาขาจัดโมหะได้นะฮะจัดอวิชชาได้คนนี้จะต้องมีกำลังถึงจุดหนึ่งก็คือขจัดกิเลสได้ทั้งหมดดังกล่าวเพราะงาั้นอินซีทั้งห้าประการเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าองตรวจสอบคนคืออินซีนี่จะตรวจมากที่สุดแล้วรง ว, วางธรรมะไปตามพื้นฐานของอินซีของคนเหล่านั้น อย่างที่ได้พูดเรื่องอรู้เวลากัะสปะมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารู้เวลากัะสปะนั้นสัตทินสีนี่อ่ อ, อนคือท่านไม่ยอมเชื่อทั้งๆ ท, ท, ที่เชื่อเยอะนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าแต่ไม่เป็นพระราลเหมือนเราเนี่ยคือแสดงว่าศรัทธาท่านยังไม่มีกําลังมากพออุตย่าก็ต้องใช้นาน า, นาปฏิหารระยะคือแสดงปฏิหารถึงเจ็ดครั้งใหญ่ๆด้วยกันนับปฏิหารได้สามพันห้าร้อยปฏิหาร ก็ทรมานท่านอุรุเวลาการสปะกับบริวารเนี่ยให้กลับเนื้อกลับตัวมาควางธรรมะที่ประวงจะทรงแสดงว่าในการแสดงปฏิหารแต่ละข่าวเนี่ยคือเป็นการปรับสัตทีสัสินซีอินซีคือศรัทธาพออย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยท่านงอนแง่นท่านไม่มั่นคง เพราะว่าท่านถือตัวว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์นะฮะแล้วก็ปฏิเสธความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าเทศสอนพระปัญญวคีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะพระปัญญวคีเนี่ยเราเห็นว่าสัทินีอ่อนมันก็ต้องพูดกันจนกว่าจะยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าสดสรูแล้วจึงสามารถแสดงแก่ท่านได้ แต่พอไปพูดกับพระยาศะยาศะสัตทินสีแก่กล้าพูดง่ายมากเรียกว่ามีความพร้อมทึบเลยท่านเดินบ่นไปว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดขอ้องหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดขอ้อหนอพระพุทธเจ้ารับสั่งวายสะที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่กัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอโดยพระพุทธตำหนัดเพียงเท่านี้ ท่านก็พร้อมที่จะฟังธรรมในสํานักพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าเริ่มแสดงจิตใจของท่านก็จดจ่ออยู่ที่ธรรมะที่ทรงแสดงประจกก็บรรลุมรผลเป็นประโตรดับันฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้บรรลุมรผลเป็นพระหันพ่อของพระยาศะเองก็สัตทินสีแกกด่าลองสังเกตว่าข้อความในไม่น่าจะง่ายดายขนาดนั้นหรอก แต่ท่านมีความเชื่อในพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าท่านรงนั่งลงที่นี้เถอะฉลอยจะพบยาศกาาุณบุตรในที่นี้ท่านก็พร้อมที่จะนั่งแล้วก็ฟังธรรมเทศนาที่พระพเจ้าทรงแสดงหรือพัตตะวคีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัตถินสีแก่กล้าปัญญินสีแก่กล้าไม่เจอพระพุทธเจ้า กรับทูลถามมาสํานักรงเห็นผู้หญิงบ้างไหมผู้มีประภาคนะเห็นผู้หญิงบ้างไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอจะตามหาผู้หญิงดีกว่าหรือหาตนดีกว่าถามเพียงเท่านั้นนะฮะท่านก็ได้ความคิดทันทีว่าหาตนดีกว่าแสดงว่าปัญญาก็แหลมนะฮะแล้วก็ศรัทธาก็แหลมก็ ในการตรวจสอบในแนวนี้ยทําให้ก่อนที่จะเทศสอนใครเนี่ยพรเจ้าจะดูพวกเรานี้ก่อนเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะของพระองค์แต่รวบรวมแล้วก็เป็นทศพลระยานต่อไปชานาธิเลสังติกยานที่จะยานอย่างรู้ถึงความเศร้าหมองและความผ่องแผ่ของคุณทั้งหลายมีญาณเป็นต้นมีชาญเป็นต้น คือคนบางคนนี่เขาไปเยอะแล้วนะฮะหมายความว่ามีพื้นฐานในด้านทางาศาสนานสูงพอที่ฟังธรรมะในสํานักของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายๆเรื่องบานเรื่องมันก็ไม่ค่อยยาวนะเพราะว่าตรงเนี้ยพื้นฐานด้านจิตใจของท่านในท่านขึ้นมาสูงแล้ว เมื่ในการเทศบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็เห็นว่าเออตรงนี้รู้สึกว่าเทศยากแต่ว่าคนฟังบรรลุมรรคผลได้เร็วนังนก็แสดงให้เห็นหนึ่งพื้นฐานในคุณสมบัติคือฌานเนี่ยมันเป็นผลระดับสมาธินะฮะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือจะตุตตชฌานฌานสี่ ทำหน้าที่สงบพวกนิวรณ์ทั้งหประการคือปฐมฌานนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอะกกตาก็ทําหน้าที่สงบมิตกทําหน้าที่สงบตีน้มิทะวิจารทําหน้าที่สงบวิจิกิจฉาปิติทําหน้าที่สงบพยาบาทอุทัจจกุกุจจาทาหน้าที่สงบ ไม่ใช่สุกทาหน้าที่สงบอุทจักกุจจกุจัะแล้วก็เอกาตาคือสมาธิทาหน้าที่สงบกรรมฉันทะมันก็แสดงว่าพวกนิวอรนสงบแล้วพวกเราเนี่ยมันเป็นภาชนะที่พร้อมจะใช้สอยหรือเหมือนผ้าขาวที่ซักแหวงดีแล้วพร้อมที่จะยอมด้วยสีต่างๆตามที่ตนต้องการ นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นพิเศษของพระพุทธเจ้านะฮะนอกจากนั้นก็เป็นพยานอีกสามข้อพยานสามที่ทรงจัสรุนั่นแหละคือปุเพนิวาสารนติยานพยานรึกชาติปางก่อนของพระองค์และของบุคคลอื่นได้ ดูได้โดยท่องแท้ตามความเป็นจริงใครเกิดเป็นอะไรเพราะบุญเพราะบาปอะไรต่อะไรเนี่ยส่งให้รายละเอียดได้มากมายอย่างที่ส่งแสดงไว้ในพวกชาดกทั้งหลายเนี่ยพวกชาดกนั้นบางเรื่องก็เอาเฉพาะตอนที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ในสมัยอดีต ก็ทรงหยิบปปเหตุการณ์ตรงนั้นมาอย่างเดียวมาเป็นเครื่องมือประกอบในการสอนธรรมะแต่บางครั้งบางคราวก็เล่าพิสดารเล่าตั้งแต่เกิดนะฮะจนแก่จนตายไปเลยก็มีที่เรื่องพวกทศชาติสิบสิบชาติเนี่ยเล่าพิสดารแต่พิสดารมากนี่คือเวสันดรมโหสดพวกนี้ยพิสดารมาก เตมีนเนี่ยพิสดารมากๆบางเรื่องก็พิสดารแต่ไม่พิสดารมากเท่าไรอยู่หมายความประวัติชีวิตของคนเราจริงๆยาวกว่านั้นแต่ก็เอามาเป็นตอนๆนะฮะเอามาเล่าเป็นตอนๆมันก็เป็นนิทัศนะอุทาหอนอนุสรเตือนใจให้คนได้คิดได้พินิพิจารณาได้มองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคในส ม, สมัยทรงนั้นมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ส่วนตัวเองแล้วก็จุตูปปาตยานนะรู้การจุติการอุปัตของสัตว์ทั้งหลายบางคนนี้เกิดเป็นอย่างนี้เพราะบุญอย่างนี้เพราะบาปอย่างนี้อะไรแต่ไหเนี่ยจะรู้รายละเอียด ทำไมจึงเกิดอย่างนั้นทำไมจึงมีรูปร่างอย่างนั้นทำไมจึงมีนิสัยอย่างนั้นทำไมจึงมีบารมีอย่างนั้นเนี่ยคือสามารถจะส่งอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดารพวกนี้มันเป็นระดับญาณที่มองทะลุผ่านพบชาติไปนะแต่าการจะโดยเสด็จที่จริงเราเนี่ยระลึกชาติเนี่ยระลึกตั้งแต่เราเกิดมาก็พอแล้วเราเกี่ยวข้องอะไรกับใคร มีควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องเหมาะสมเนี่ยคิดเอาเฉพาะชาติปัจจุบันหรือว่าในแนวของจุตูปปาตยานก็ดูที่กรรมโดยการกระทําต่างๆในอดีตการนะฮะเนี่ยในปีก่อนเดือนก่อนปีก่อนก่อนเดือนก่อนก่อนวันก่อนก่อนเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพราะว่าชีวิตสามัญชนมื่ก็ทําทั้งดีทั้งไม่ดี แล้วสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นครูเพื่อจะได้ศึกษาสังเนียกรียนรู้ระมัดระวังไม่ประพฤติกระทําให้เกิดพลั้งพลาดเหลวไหลขึ้นมาแล้วก็อาสวัคยานนะฮะกิยานในธรรมอาสวะให้สิ้นอาสวะก็คือการอาสวะอาสวะคือกามคือกิเลสกามนะเน้นไปที่กิเลสกาม ภวะสวะอาสวะคือพบได้แก่ภาวะตัญหาภวะทิฏฐินะภาวะตันหาตัหาในพบภวะทิฏฐิความเห็นว่ามีพบมีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขามีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็วิชาสวะอาสวะคือวิชาก็ทรงทำลายได้หมดสิ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าโดยเสด็จรออยคนบาทก็ทำยังไงว่า ควบคุมกามมาสะวะอย่าให้มันแรงเกินไปย้ายแรงจนเอาขนาดว่าอย่าให้แรงระดับผิดศีลข้อกามเอนะมันก็เป็นบุญโขแล้วนะฮะถ้าทำได้ขนาดเนี้ยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ย้ายแรงระดับผิดศีลข้อที่สามคืออภัมหมายความมารักษาศีลมาถึงศีลแปดศีลอุบสถแล้วจิตใจมีความประนีตขึ้น แล้วก็คงเพิ่มพิ่มพูนรักษาความดีขึ้นไปเรื่อยๆจุดหนึ่งจุดหนึ่งมีความสำรวมระวังในการทั้งหลายพระวัศาสตรก็เหมือนกันความต้องการมีต้องการเป็นต่างๆเนี่ยถ้าจะเป็นอะไรก็ให้เป็นได้จริงๆแล้วก็ควรจะเป็นมีลำดับขั้นตอนไม่ใช่ว่าไปซื้อหา อย่างเลือกตั้งผู้แทนอะไรที่มีใบเหลืองใบแดงอะไรๆกันเน่อย่างน้อยก็ถูกตัดสินไปว่าอย่างนั้นนะนะจริงเทศยังไงก็ไม่รู้ต้งฝังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพบูณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี